ภิกษุก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุน้อมใจไปอยู่อย่างนี้พึงตัดโอรัมภาคียสังโยชเสียได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อภิกษุรู้เห็นอย่างไรอาสะวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปในการเป็นลําดับเนี่ยนะบว่าแมพูดคือพระองค์เนี่ยแสดงจบแค่อนาคามีใช่ไหมแล้วท่านก็ถามต่อไปว่ามันจะเป็นพระอรหันต์ต่อไปได้ยังไง ค, คือถ้าเป็นพระอนาคามีอย่างนั้นแล้วนะปฏิบัติยังไงจึงจะสิ้นอาสะวะหมดว่าผู้ที่สิ้นอาสวะ ชื่อตรองเต็มว่าพระขีนาศพใช่ไหมคือถ้าปฏิบัติอยงนั้น่ะเป็นพระอารหันต์ได้ยังไงหรือตัดอาสวะกิเลสทั้งหมดได้ยังไงพระองค์ก็ตรัสว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้เป็นต้นเนี่ยนะคือพูดถึงแบบคนมีอาสวะทั่วๆไปก่อนเนี่ยนะบอกว่าคนที่มีอาสวะโดยปกติพื้นฐานมาจากการยึดถือหรือมีอุปาทานในขันห้านะว่ารวมๆก่อนนะ คือมีอุปาทานการมุปาทานที่ถุปาทานสีละพตุปาทานหรืออัตวาทุปาทานในขันห้าตรงนี้ยกตัวอย่างเฉพาะอัตวาทุปาทานหรือสกายะทิฏฐิคือไปสําคัญหมายว่าเป็นอัตตาในอุปาทานขันห้าทีนี้พอยึดถือขันห้าย่างนั้นตามอย่างนั้นแล้วก็ย่อมสะดุ้งในฐานะอันไม่ควรสะดุง้งคือไปกลัวว่าไม่มีขันห้าแล้วมันจะดีคือกลัวว่าเอ๊ะถ้าไม่มีขันห้าแล้วมันก็ไม่สนุกสิอย่างนั้นเถอะ อันน่ะเขามารู้จักโยมคนหนึ่งก็บอกเอ้ยถ้าไม่มีขันห้ามันก็หมดสนุกกสิเหมนแต่ก็กลัวขันห้าอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้ามันหมดขันห้ามจะไปดียังไงเนี่ยนะก็คือมันเป็นลักษณะนั้นนะก็บอกไปกลัวในสิ่งนี่ไม่ควรกลัวนะลูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วย่อมมีความสะดุ้งอย่างนี้ว่าถ้ากรรมอันน่ะถ้ากรรมของเราไม่มีขันทัปจกกะของเราก็ไม่มีเนี่ยนะคือถ้ากรรมในอดีตไม่มีนะขันขันอันนี้ก็ไม่มี ถ้ากรรมสังขารจากไม่มีคือถ้ากรรมอันนี้ไม่มีกรรมในปัจจุบันนี้ไม่มีปฏิสนธิของเราก็จะไม่มีเนี่ยนะอันนะั้คือไปกลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวอะไรเลยนะไปกลัวเอ๊ะนี่ถาถ้าดัดถ้าดับหมดเลยจะดียังไงเนี่ยนะถ้าดับอุปาทานขันท่านะดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไมหมดมันจะไปดียังไงเพราะฉะนั้นก็สร้างความหวังว่าขอให้โดยมากจะตั้งความปรารถนานะ ขอให้ข้าพเจ้ามีรูปเช่นนั้นมีเวทนาเช่นนั้นมีสัญญาเช่นนั้นสังขารเช่นนั้นวิญญาณเช่นนั้นโดยปกติก็ตั้งความปรารถนาถามว่าสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้สาธุ ข, ขอให้บุญของข้าพเจ้านำให้ข้าพเจ้าอยู่ดีมีสุข็เลยก็ว่าไปนะเสร็จแล้วก็เออก็อุปนิสัยที่ คนก่อนๆเขาแนะนําบอกว่าท้อห้อยท้ายปราถนานิพานไว้บ้างนะถึงชอบขันท่าอยู่ก็ให้ตอนท้ายๆนะให้ปราถนาหมดกิเลสในขันท่าด้วยนะก็จะคาว่าปราเช่นอ่ะขอให้ข้าพเจ้าได้สมบัติสามประการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติน่ะนะเสร็จแล้วก็ให้ได้นิพานสมบัติก่อนแลให้ได้มนุษย์ก่อนนะแล้เดีเทวดาอีกเสร็จแล้วก็ตอนท้ายค่อยนิพานน่ยนะก็ยังห่วงหน้าดูเลยนะก็ บางทีก็บอกอ น, นาคา ต, ตกาลบอกว่าในอนาคตการอันเบื้องหน้านูเทินเนี่ยนะก็คิดว่าคือห่วงมากอ่ะนะท่นปตุตชชนปกติแล้วก็ไม่สอไปเสียดายในสิ่งที่ไม่ควรเสียดายเนี่ยนะพูดอึงในนั้นไอ้ถ้าเราหายโรคอันนี้นะเราก็ไม่ได้กินยาอันอร่อยอร่อยอีกนนะคล้ายๆแบบนี้นะห่วงมากไม่ได้เกาเไม่ได้เกาแผลคันนันอาจารย์ผมสอนใอบอกว่าไปเกิดในนิพพาน ข้อใจว่า เ, เป็นเมืองแก้วนี่พานเอาไว้กัน <c oughs> กนะที่ที่กล่าวว่าเขาแปลถามว่าที่แปลคุยควรจะเป็นนะัฟังอัตถก า, านิดหนึ่งในหน้าหนึ่งร้ยสนะย้อนหน้าสุดท้ายเลยว่าด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโนจัศโนจัเมศยาณนะพวิสะ ณเมพวิสติดังนี้เมื่อภิกษุหลุดพ้นอย่างนี้แล้วเชื่อว่าพึงตัดสังโย์เบื้องต่ำเสียได้ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโนจัดสังโนจะเมสยาความว่าก็เราไม่พึงเป็นแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีคือถ้าถ้าไม่สำคัญว่าเป็นอัตตาในขันหก่อนนะบริขารของขันห้าก็ไม่มีใช่ไหมถ้าถ้าไม่สำคัญว่าเป็นเราก่อนนะแล้วของเราจะมีไหม ถ้าไม่สำคัญว่าเป็นเราอะนะไอบ้บริขารคือสิ่งของวัตถุของเรามันก็ไม่มีเพราะไอ้ความสำคัญว่าเป็นอัตราในขันอันใดอันหนึ่งก่อนที่เหลือก็ในฐานะเป็นบริขารของอาตาัตราใช่หัหยหรือก็หรือว่าถ้าการปรุงแต่งกรรมในอดีตของเราจาักไม่ได้มีแล้วายบัตนี้ขันอ่ขันห้าหมวดของเรานี้ก็ไม่พึงมีถ้าไม่มีกรรมในอดีตนะขันอันนี้ก็ก็ไม่มี บทว่านภะพวิสตินะเมพวิสติความว่าก็บัดนี้เราจักพยายามโดยประการที่การปรุงแต่งกรรมอันให้ขันบังเกิดขึ้นในอนาคตเราจักไม่มีเมื่อการปรุงแต่งกรรมไม่มีชื่อว่าปฏิสนธิในอนาคตก็จักไม่มีเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิบัติให้มันสิ้นกรรมมันจะได้ไม่นำปฏิสนธิสักทีให้มันจบการปฏิสนธิหมายสทีบทว่าเอวังวิมุตจมาโนความว่า ภิกษุเมื่อน้อมใจไปอย่างนี้ตั้งอยู่ในอุปนิสยัยมีกําลังอ่อนคือคือบุญไม่มากหรอะนะบุญพอพอประมาณเหมือนกันเถอะก็ตัดโอรัมภาคยะสังโยชดได้เป็นท่านาคามีได้เห็นไเพราะฉะนั้นใครเคยคิดไหมว่าเอ๊ะถ้าฉันจะไปเจริญกรรมฐานนนฉันจะไปเจริญแบบนี้แหละอ น, นะตั้งตั้งสมาคุณชูศรีตอนเข้ากรรมฐานนี่คิดอย่างนี้ไหมจะไปเจริญอย่างนี้แหลนนะหรือว่าเพิ่งได้ฟังสูตรนี้ น, นะ ไปเจริญแบบนี้ก็อนุโมทนาด้วยนะถ้ายัางไม่เจริญก็ไม่เป็นไรก็จะได้ไปเจริญสักที mm hmm. ก็บอกไม่ต้องห่วงหรอกมันจะละกิเลสได้ง่ายๆนะน้องไปอย่างนั้นอีกสักครึ่งวันมันยังยังละไม่ได้เลยเชื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่ะนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็มันห่วงไม่ได้อะ่ะเห็นไหม พันปุตุชนนี้ปกติก็สะดุ้งในฐานะที่ไม่ควรสะดุ้งนะจึงไม่สิ้นอาสวะในในอุปาทานขันห่านะจึงมีความหมักหมมในอุปาทานขันห้าด้วยกามาสวะภวาสวะทิฏฐสวะและอวิชชาสวะดูค่ามพิสูจนทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วคือไม่มีสกายะทิฐิในขันห้าเลยนะเพราะรู้ขันรู้จักขันห้าตามความเป็นจริงเป็นต้นเนี่ยย่อมไม่สะดุ้งในฐานะอันไม่ควรสะดุ้งนะ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมไม่มีความสะดุ้งดังนี้ว่าถ้านะถ้ากรรมข อ, ของเราในอดีตไม่มีขันธปัญจกะอันนี้ของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมมาสังขารจะไม่มีหมายถึงว่าถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีหรือถ้าตัดกรรมในปัจจุบันได้หมดปฏิสนธิในอนาคตก็จะไม่มีนะ นันพระอริยาสาวกนี่ท่านท่านไม่สะดุ้งเลยนะท่านไม่กลัวเรื่องนี้เลยท่านท่านต้องการเป็นแบบนั้นอัธยาศัยของท่านมุ่งเป็นแบบนั้น mm hmm. ดูกว่าพิสูจนทั้งหลายวิญญาณที่เขาถึงที่เข้าถึงรูปก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นรูปมีรูปเป็นที่ตั้งมีความยินดีอันเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญงงามไพบุ์ นะวิญญาณที่เข้าถึงเวทนาวิญญาณที่เข้าถึงสัญญานะวิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพถึงความเจริญโงกงามไพบุญพิสูจนนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไปจุติอุบัตหรือการเจริญโงกงามไพบุ์แห่งวิญญาณ เว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าความกําหนัดในรูปเวทนาสัญญาความกําหนัดในรูปประธาต์เวทนาธาต์สัญญาธาต์ในสังขารธาต์ในวิญญาณธาต์เป็นอันพิสูจละได้แล้วไซเพราะละความกําหนัดเสียได้อารมณ์ย่อมขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มี วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งไม่งอกงามไม่แต่งปฏิสนธิหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นไปจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีพร้อมเพราะยินดีพร้อมจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมดับรอบเฉพาะตนเท่านั้นคือปริญนี้ผ่านรอบเฉพาะตนเนี่ยนะเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูก่อนที่สู่ทั้งหลายเมื่อบคุคคลรู้เห็นอย่างนี้แล อาสวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปในการเป็นลำดับเนี่ยนะ <c oughs> สูตรนี้ก็ลึกซึ้งนะของเรานี้เวลาฟังหรือเวลาอ่านสังยุตตนิกายขันธวรวัตนะให้นึกว่าเราอยากได้นิพพานก่อนจับบรรลุวันนี้นี่แหละแล้วก็คิดตามนะแล้วก็จะเข้าใจขึ้นเนี่ยนะของมายังชอบที่อาจารย์สุธรรมนะอยู่ข้างลังนั่ง บอกว่าถ้าจะเรียนปรัชญาให้เข้าใจมันต้องคิดแบบเขาอ่ะแล้วเราจะเรียนวิชาเขาเข้าใจพวกกันน ะ, นะก็แกพู้ที่อินเดียนะจําได้เลยผู้ที่อาจารย์จำได้ไหมก็บอกว่ามันต้องไปคิดแบบเห <c oughs> <c oughs> นียวามานะแกอาอย่างเงยมืน <c oughs> นี่ก็เหมือนกันนะศึกษาคัมภีเนี่ยก็เราต้องแบบ ต้องคิดแบบแบบพระพุทธเจ้าคิดนะนะแล้วเราจะเข้าใจอะไรขึ้นอีกเยอะเนี่ย วิญญาณในที่นี้เนี่ยนะถามว่าวิญญาณที่เรากลัวจริงๆอ่ะหรือหรือที่ที่ดูว่ามันมีพิษมีภัยที่สุดเนี่ยเป็นวิญญาณชนิดไหนามมาควรจะเรียกว่าใช้คำว่ากรร ม, มาวิญญาณหรือเจตสำนวนนะเจตนายี่สิบโลภะแป โลพาแปดโทสะสองโมหะสองมหาคุศลแปดแต่ถ้าว่าให้เต็มเนี่ยต้องรูปราวจรเจตนา5อรูปราวจรเจตนาอีกสี่เนี่ยนะเป็นเจตนายี่สิบเก้าอันนี้หมายเรียกว่ากรร ม, มวิญญาณวิญญาณเหล่านี้ถ้าจะตั้งอยู่นะมันตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยนะตรงนี้เรียกว่าวิญญาณทิติกรทา เรียกว่าเรื่องเรื่องเรื่องวิญญาณทิติที่ตั้งของวิญญาณก็ตั้งมีใครพูดถึงว่าที่ตั้งของวิญญาณโดยที่ไม่อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมีไหมกรรมวิญญาณหรือความคิดอันนี้เนี่ยนะที่มันพ้นจากรูปมีมัม้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเพราะฉะนั้นเวลามันตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ด้วยด้วย รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเห็นก็อเออไม่ถึงวิญญาณนะเพราะมันตัวมันเป็นวิญญาณอยู่แล้วถ้ามันตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่โดยอาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศายัยสัญญาอาศายัยสังขารทีนี้เมื่อตั้งอยู่โดยอาศายัยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะถ้ามันจะเป็นปัจจัยนำเกิดต่อไปข้างหน้ามันจะพ้นรูปไหมพ้นเวทนาพ้นสัญญาพ้นสังขาร มีใครสามารถทำได้แบบนี้ได้ไหมให้มันมีวิญญาณที่บริสุทธิ์ผุดผ่องโดยที่ไม่มีไม่อาศัยรูปอ่ะเป็นได้คืออะไรอรูปปรพรมแต่จิตโดยที่ไม่อาศัยสัญญาเวทนาและสังขารเนี่ยเป็นไปได้ไหมพระ อ, องค์จึงบอกว่าไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้เนี่ยนะผู้ที่จะบัญญัติวิญญาณทีติติพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและ สังขารเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้แต่ถ้าละความกำหนัดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยต้องต้องวิญญาณด้วยนะพอพอฝั่งนี้เนี่ยจะ ต, ต้องมีคำว่าวิญญาณเข้ามาด้วยอ่ะนะถ้าละความกำหนัดนะหรือละฉันทะ ราคาถ้าฉันทราคะเนี่ยต้องละจากในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่อันนี้ตรงนี้ไม่ต้องเลยใช่ไหมตรงเนี้ยไม่ไม่ไมจําเป็นต้องขันห้าก็เลยเรียกว่าวิญญาณทิติสระการเห็นไหมแต่พอผู้ที่ละฉันทราคาเนี่ยนะหรือละความยินดีต้องละในอุปาทานขันทั้งห้าเห็นไถ้าละได้อย่างนี้เนี่ยนะวิญญาณก็ไม่งอกงามต่อไปอีก ถ้าตัดชันธราคะนะเจตนาเหล่านี้นะกรรมวิญญาณเหล่านี้มันจะหมดความงามเลยนะมันไม่งอกงามต่อไปทีนี้ทํำยังไงอะที่เรียกว่าเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไงแล้วนะแล้วจึงจะน้อมไปสู่นิพพานที่มันพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะอันนั่นแหละ ค, ค, ค, คือคือคือศาสนาเราคือคําสอนของพระพุทธเจ้านะ คือคุณพิจารณารูปยังไงแล้วจิตจะน้อมไปในสิ่งที่ไม่ใช่รูปอ่ะนะให้มันให้มันพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณะ่ะแนวความคิดอันนั้นแหละคื อ, ค, อคือลักษณะของพุทธศาสนาแต่ว่ามันไม่ง่ายหรอกนะที่จะออกจากรูปน้อมไปก็คือมายถาว่าปล่อยคำซ้ายใช่ปะคือไอ้ A F คำว่าถ้าเราใช้คำว่าปล่อยเฉยๆนะถ้าไม่มีอุบายปล่อยไม่ได้ อันนี้นะถ้าถ้าใครที่ที่เคยเคยถูกปลิงกัดเนี่ยจะรู้นะสมมติว่ามันอ่ะนะเราถูกกัดทางนี้ใช่ไหมเราก็ดึงนะทางนี้มันติดอีกแล้วถ้าเรามาปล่อยทางนี้นะทางนี้มันจะมาติดอีกปุตุชนเนี่ยถึงแก้แก้เรื่องนี้เสร็จมันก็ไปติดอันใหม่แก้อันใหม่เสร็จมันก็ติดนะมันแก้เพื่อติดแก้เพื่อติดแก้เพื่อติดแก้เพื่อติดนะ อยกตัวอย่างว่าอ้าของเราทั้งหลายอ๊เกิดมาชาตินี้มันทุกข์เหลือเกินะนะอันนี้เห็นโทษแล้วใช่ไหมจะแก้ละสาธุชาติหน้าขอฉันอยู่ดีมีสุขผูกใหม่นู่นอีกแล้วมันใจลักษณะนี้ตลอดเลยนะแก้อีกอย่างผูกใหม่แก้แล้วผูกแก้แล้วผูกแก้แล้วผูกมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดแต่ทีนี้จะแก้อย่างไงโดยที่ไม่ผูกอันต่อไปเลยนะไอ้แก้แบบปุถุชนทั่วไปมันแก่เล่นๆมันไม่ได้แก้จริงๆถ้าแก้จริงๆเนี่ยต้อง ต้องเห็นยังไงก็บอกว่าต้องเห็นขันทั้งห้าเนี่ยตามเป็นจริงใช้คําว่ายะถาภูตังเลยนะเห็นตามความเป็นจริงความจริงของมันเนี่ยเป็นยังไง <Thank you. S 1> อ๋อนะความจริงเนี่ยเกิดจากอ๋อนะว่าเพราะกิเลสนะเป็นปัจจัยขันอันนี้จึงเกิดถ้าตัดฉันทราคะในอันนี้ได้แล้วมันจะถ่ายถอนขันห้าได้จริงๆ เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติจึงมุ่งไปที่กําจัดฉั้นทราคะในขันห้าไม่ได้ไปคิดสแสวงหานิพพานที่ไหนคือคือถ้าเราเราเราไม่ไม่เข้าใจคําสอนดีนะเราจะคิดสแสวงหานิพพานชิ้นใหม่ขึ้นมาที่มันเป็นขันห้าอันใดอันหนึ่งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นขอไปอยู่แดนณนะแดนแห่งหนึ่งที่มันมีแต่เพชรมีแต่พลอยเนะี่ยนะก็เนี่ยนะ อ่นะไปสะแสวงหาขันห้าพิเศษอีกอันหนึ่งอีกนะ <laughs> ก็จะอยู่อย่างนี้ก็จะเกาะเขาบอกว่าเหมือนอะไรเขาบอกว่าเดรธีหรือหรือคนที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนเหมือนกับกระต่ายที่มันเกลียดแผ่นดินั <c oughs> นเบื่อแล้วเกินแผ่นดินเนี่ยนะแต่ว่าจะไปให้มันพ้นแผ่นดินสักทีหนึ่งแผ่นดินก็บอกแกไปเหอะนะทีนี้ถ้าถ้าเป็นคำสอนนอกาศาสนาถึงเขาเกลียดมาหาพูดนะ หรือเขาเกลียดขันห้านะแต่จริงๆอะ่ะเขาอยากได้ขันห้าอันใหม่แต่ของเราเนี่ย ท, ทิ้งรูปอันนี้โดยที่ไม่เอารูปอันใหม่ อ, อันนั้นแหละต้องมีอุบายอ่นะอุบายคำว่าอุบายเนี่ยเป็นเรื่องของชื่อของปัญญาที่เข้าไปถอดได้จริงๆไปแก้ได้จริงๆแก้ได้ยังไงก็คือการที่จะกำจัดฉันราคาในรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะจะกาจัดได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็บอกว่า ถ้าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละความสําคัญว่าเที่ยงได้เพราะผู้ที่ยึดขันเนี่ยนะจะไปยึดเข้าโดยความเที่ยงบ้างสุกบ้างอัตตาบ้างว่ารวมๆก็ยึดอยู่เท่านี้แหละโดยเที่ยงสุกและอัตตาถ้าไปเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามคือเห็นความจริงมันเข้ามันก็ละความสําคัญผิดในขันห้าน้อมจิตไปในธรรมะที่ไม่ใช่ขันห้าเนี่ยนะน้อมจิตไปหาธรรมะที่ไม่ใช่ขันห้า ตรงนั้นบาลีว่าพระหิตตัดโตเนี่ยนะเรียกว่าน้อมอัตตาเนี่ยไปน้อมอัตตาไปไหนน้อมอัตตาเนี่ยอัตตาหมายถึงปัญญานะน้อมปัญญาหรือวิปัสนาเนี่ยน้อมไปไหนน้อมไปเพื่อให้มันพ้นขันห้าเนี่ยนะแต่ถามว่าเอ๊ยังยึดอันนี้อยู่ใช่ไหมถ้ายังยึดอันนี้อยู่ก็ไม่พ้นขันห้าเพราะจิตอันนี้ก็เป็น ตัวปัญญาหรือวิปัสสนาก็ยังเป็นก็เป็นขันอยู่อยูด่ดีเพราะฉะนั้นผู้ที่จะพ้นจากขันต้องไม่ติดแม้แต่ในขันแต่ถ้าว่าให้รวมนะพระอนาคามีท่านก็ยังติดในในขันอยู่แต่ว่าท่านติดในสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะท่านติดในรูปฌานอรูปฌานเนี่ยนะท่านติดระดับสูงเนี่ยนะซึ่งปุตุชนเนี่ยเกิดมาไม่เคยฝันว่าได้ชานอนันต์เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสได้ติดง่ายๆหรอกแบบนั้น ตอนะนก็ผู้ที่ตัดฉันนราคะก็ละความกําหนัดได้ถ้าละความกําหนัดได้ก็ละความยินดีละความเพลิดเพลินเนี่ยนะปฏิสนธิก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าวิญญาณเนี่ยนะต้องไม่มีนิมิตพวกนี้เป็นที่ตั้งก่อนถ้าวิญญาณไม่มีนิมิตพวกนี้เป็นที่ตั้งก่อนนะั้นมันจะดับเนะนีน่ยนะไอไอวินตัวนี้เป็นชื่อของอรนะิยมรรคเนี่ย อริยมรรคเนี่ยต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่ขันท่าเป็นที่ตั้งแล้วมันจึงกระดับขันท่าได้เพราะไรเพราะว่าธรรมชาติที่สงบประงับเนี่ยเป็นที่ดับขันท่าถ้าไม่ไปถึงธรรมะอันนี้ดับขันพวกนี้ไม่ได้แต่การแทงตลอดครั้งแรกนี่ดับขันท่าเลยหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่ดับโน่นพบที่ดับในพบที่แปดเนี่ยนะดับขันท่าได้บางส่วน เ น, นะไม่ ว, ว่าแล้วก็เจริญอย่างเงี้ยจนกว่าแล้วแทงตลอดซ้ำาๆๆๆอยู่กี่ครั้งนจนกว่าจะใช้คำว่าทำกิดกิดเสร็จแล้วกิด16นั่นแหละเมื่อทำกิด16ได้นั่นแหละเมื่อนั้นแหละค่อยบอกว่าออจบละวนถามว่าสูตรนี้พระพุทธเจ้าแสดงทำไมมานะตั้งคาถามนะสูตรนี้บอกว่าเป็นสูตรที่ชมเชยหรือยกย่องพระอรหรนันต์เหมือนกัน เพราะว่าเผื่อว่าพระอรหันเอ่อเผื่อพระพระอริยบุคคลเนี่ยท่านท่านปรารถนาจะบรรลุแบบนั้นบ้างนแต่คิดดูนะว่าเอพระพุทธเจ้าคิดแบบนี้แล้วพระองค์โสมนัสนะของเราโสมนัสกับพระพุทธเจ้าด้วยหรือเปล่าไหมซ้ำผมยังยังชอบใจที่ว่าถ้าเอาคำมาปริญญาเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้เข้าใจขึ้น ถ้าจะปล่อยรูปเวทนาตัญญาสังขารนี้เพื่อน้อมไปสู่ที่ไม่มีรูปมัมีเวทนาหมือตัญญาคือนิพพานนี่นะฮะถามว่าทำยังไงก็ทำโดยทำปริญญาในในในขันห้านี้จนเพียงพอเมื่อไหร่ก็รักว่าต้องถอดอีกสูตรหนึ่งบางแห่งบอกต้องถอดลิ่มสลักได้อันนะ่ะลิ่มสลักที่มันแกะติดเอาไว้ในขันห้าได้ถ้าถอดได้มันจึงจะหลุดงั้น หรือถ้าไม่ใช้คำว่าถอดบอกบางสูตรในใช้คำว่าตัดเลยใช้คำว่าใช้ปัญญาเนี่ยตัดฉันทราคะในสิ่งนั้นเสียเนี่ยนะก็อย่างสูตรก่อนๆที่ผ่านมาว่างนะบอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเสียรูปอันเธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ให้ละไปเลยเนี่ยนะแต่คำว่าละก็คือละไอ้ไอ้ไอันทราคะเนี่ยนะ <c oughs> อันที่จริงนะฮะถ้าเราทําปริญญาในอุปาทานขันห้าเนี่ยนะถ้าทําถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ตามความเป็นจริงยถาภูตายานทัศนะยะถาแปลว่าตามภูตะแปลว่าขันห้าทัศนะก็เห็นเห็นขันห้าตามความเป็นจริงคือยถาภูตายานทัศนะเนี่ยเป็น เป็นปัญญาขั้นเรียกว่ายังไม่ถึงโลกุตระปัญญาแต่ปัญญาขั้นตั้งแต่ต่ําๆลงมาเนี่ยเรียกว่ายถาภูตายานลักษะยะถาแปลว่าตามนะภูตะแปลว่าแปลว่าขันห้าทัศน์ก็คือปัญญาหรือการเห็นเมื่อเห็นขันห้าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยถามว่าเห็นดังอะไรเห็นตั้งแต่ลักษณะการเกิดการดับคุณโทษอุบายเครื่องสลัดออกเนี่ยนี่คือเห็นก็จะมีเป็นขั้นขั้นขนขนถ้าเห็นแล้วเมื่อไหร่ก็จะเห็นโทษ เมื่อเห็นโทษเห็นมีความไม่มีสาระเห็นความเป็นภัยเห็นเป็นโทษเมื่อไหร่เนี่ยนะคือละฉันธราคะตามมาแน่นอนถ้าเห็นโทษแล้วยังรักไหมนะถ้าสมมติเราเห็นโทษอะไรทุกอย่างนี่เรายัางพอใจไหมไม่พอใจครับคือถ้าเห็นเมื่อไหร่นะถ้าทําปริญญาไ ด, ไ, ดได้ถึงปริญญาเอกด็อกเตอร์อย่างท่านอาจารย์เมื่อไหร่ก็เรียบร้อยนะในปริญญาคือประหานะปริญญาได้นะก็หมายความว่านั่นนะ่ะ ได้เห็นขันห้าตามความเป็นจริงโดยสมบูรณ์แล้วก็จะเกิดการละชันทราค่ะได้ มาต้องมีแห่งละหนึ่งคนมะวานก็ยังมีเลยหนึ่งคนไม่รู้ไปทากรรมอะไร ม, มามวานพีุ่ณอะไรนะผมจไม่ได้อย่าไปเลยช่กันเลยอาจะยืยนัยนยนืนยันไหนนะอุทานเานี่ยแปลว่ า, า, า, วาพูดตร ง, งนี้ก่อนนะ พระพุทธเจ้าเนี่ยดีใจมากพอดีใจเนี่ยเป็นความดีใจที่เกิดร่วมกับปัญญาเสร็จแล้วมันพุ่งออกมาโดยที่เหมือนกับว่าไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยเถอะเหมือนกับนะเหมือนกับไม่ตั้งใจแต่จริงๆแล้วพระองค์รู้แล้วว่าถ้าพระองค์คิดแบบนี้โสมนัสแบบนี้เปล่งคําพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยภิกษุรูปนั้นจะถามถ้าถามแล้วจะมีผลจะมีต่อคําสอนอย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์ก็รู้แต่ว่าคำว่าอุทานในนี้ก็คือเปล่งออกมานะก็คําอุทานแบบไทย แต่หมายถึงถ้าของพระพุทธเจ้าเกิดจากโสมนัสและเกิดจากปัญญา